รายละเอียดเรื่องอริยศัสตร์นี้ผู้เขียนที่รวบรวมเขียนขึ้นเล่มหนึ่งต่างหากแล้วให้ชื่อว่าอริยศัสตร์คืออะไรผู้สนใจจะหาอ่านได้นในเรื่องนั้นในที่นี้จะแสดงตัวอย่างว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความทยานอยากอย่างไรและมรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นเมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นปัญญาข้อเดียวทาหน้าที่ดับทุกข์ได้คือทั้ง8ข้อนั้น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 ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการสอบไล่แม้ในเรื่องอื่นๆเช่นความรักการแข่งขันที่มีแพ้ชนะจะในทางกีฬาหรือทางสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนต่างๆก็ควรเตรียมใจไว้แต่ต้นมือในเรื่องความรักคนที่คิดเอาแต่ได้หรืออ่อนต่อโลกมักจะปล่อยให้ความทยานอยากอย่างรุนแรงเป็นผู้เผด็จการอย่างเต็มที่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 เพราะต่างคนต่างอยากจะพายเรือตามน้ำน้ำจะตามใจใครดีถ้าตามใจคนทั้งสองของวุ่นไม่ใช่น้อยหรือในกอต้องการจะให้ฝนตกเพราะรู้สึกขี้เกียจรดน้ำต้นไม้และรู้สึกร้อนเลือเกินในขณะเดียวกันในขอต้องการให้แดดออกเพราะในขอมีอาชีพทางซักรีเสื้อผ้าจะได้นำผ้าไปิดตากแดด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 รักหนึ่งทุกหนึ่งรักร้อยทุกร้อยใครจะว่ามีจริงหรือขัดค อ, อก็ตามใจถ้าไม่มีห้ามล้อไว้บ้างเมตเตือนใจให้รู้จักสภาพธรรมดาของโลกไว้บ้างว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่แน่นอนแล้วก็จะต้องประสบกับความระทมขมคืนถึงขนาดเห็นโลกนี้คับแคบจนได้การสอนให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ8ประการ